ต่อจากนี้ไปท่านจะได้ฟังธรรมะเรื่องความฝันของพระราชาศาสดาพยากรตอนที่สองโดยสมณทราบซึ้งสิริเตโชได้แสดงธรรมไว้เมื่อวันที่27สดกรกฎาคม2549ณพุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านรับฟังได้ณบัดนี้ วันนี้เราก็มาต่อฝันเรื่องที่ห้า เรื่องที่ห้านี่หัวข้อว่าม้าสองปากหมอมชันเห็นม้าตัวหนึ่งมีปากสองข้างฝูงชนพากันให้ญ้าที่ปากทั้งสองของมันมันก็เคี้ยวกินทั้งสองปากเลยอะไรเป็นผลของความฝันนี้พระเจ้าค่าแสดงว่าไม่ใช่ม้าสองหัวแสดงว่าม้าหัวเดียวแต่มีสองปาก ไม่ไม่ไม่ใช่แบบเขาเรียกนกสองหัวนะอะไรอีกอะ่ะมีแต่นกสองหัวนย่นะจริงๆงูสองหัวก็มีใช่ไหมเคยเห็นไหมที่เขาโฆษณาตามงานวัดฮะอ๋ะโองูดินเหนือหัวท้ายเหรออันนี้สองหัวเลยสิแบบมันตัวเดียวเนี่ยแล้วก็มีหัวแยกออกมาสองหัวเลย อ่ะดูนะอันนี้จะเป็นความฝันจะเป็นนิมิตแบบไหนม้ามีสองปากเสร็จแล้วชาวบ้านชาวช่องก็เอายามาให้กินก็เอามาให้ทั้งสองปากเลยม้าก็กินทั้งสองปากเลยเหมือนกันมหาบาพิษผลจะเกิดในอนาคตจะมีพระราชาผู้ไม่ไม่ดำรงในธรรม คือหลายข้อที่เราฟังมาเนี่ยสี่ข้อนั้นก็กเกือบเกือบหมดเลยนะส่วนใหญ่ก็เป็นยุคอะไรยุคเสื่อมยุคพระราชาไม่ดำรงอยู่ในธรรมหรือแม้แต่บางทีประชาชนก็ไม่ไม่มีธรรมะคือส่วนใหญ่เนี่ยความฝันทั้งหมดเนี่ยจะเป็นฝันร้ายอะ่ะคือฝันฝันที่ไปในทางไม่ดีทั้งนั้น พระราชาผู้ไม่ดำรงในธรรมพวกของพระราชาก็โง่เขาไม่อยู่ในธรรมเหนมานี่เอาอีกและทั้งพระราชาทั้งอะไรอะมหาอมหาทัมม า, า, า, า, า, าราชบรีพานโง่เขาไม่อยู่ในธรรมะทั้งนั้นพระราชาทรงแต่งตั้งคนโลเลไม่มีธรรมเอาไว้ในตำแหน่งผู้วินิจฉัยคดี คนพวกนี้เป็นพานไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษเมื่อได้นั่งเป็นใหญ่อยู่ในโรงศาลเป็นผู้ตัดสินคดีจึงกินสินบนจากคู่คดีทั้งสองฝ่ายนี่แหละม้าสองปากแต่ภายจากความฝันเรื่องนี้ก็ไม่ได้มีแก่พระองค์อย่าได้ทรงวิตกแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นประเด็นสำคัญในฝันเรื่องนี้ พระพุทธเจ้าท่านก็พยากรนะนะนั้นความสาคัญมาสองปากนี่คือกินสินบนทั้งสองข้างเลยนะทั้งโจท์ทั้งจำเลยกินเรียบเลยคือโจทเอามาตีสินบนก็กินจำเลยเอามาให้สินบนก็รับเอาหมดพูดง่ายว่ารับลูกเดียวเลย และอย่างแงี้จริงๆแล้วหมายความว่าไงข้างนี้ก็รับทำให้เขาข้างโน้นก็รับทำให้เขาแสดงว่าแสดงว่าเนี่ยคดีหรือการตัดสินนี่ไม่มีเรื่องของความยุติธรรมไม่มีเรื่องของความถูกต้องอยู่เลยก็คงจะอยู่ที่คราวนี้อยู่ที่สินบนนะใครให้มากกว่าใช่ไหมคนนั้นก็ก็ชนะไป ตอนนี้เอาละไม่ไ ม, ไม่พูดถึงยุคสมัยมาพูดถึงตัวเราเองต้องถามดูว่าตัวเราเนี่ยเคยติดสินบนบ้างหมหรือเคยรับสินบนบ้างไหมตัวเราเองอย่าไปนึกแต่ว่าไอ้ทุจริตแบบหยาบหยาบอะไรนะไปทุจริตแบบติดเงินทองไปติดอะไร คนอื่นเข้าอะไรอย่างเงี้ยไอหยาบยาบแบบบางทีอย่างนั้นนะ่ะเราอาจจะไม่ค่อยอาจจะไม่ค่อยได้ทำแต่จริงๆนะ่ะจริงๆนะ่ะส่วนใหญ่ทาแต่รู้สึกเหมือนกับไม่ได้ทำเพราะคนในโลกเนี้ยส่วนใหญ่บอกได้เลยมีนิสัยติดสินบนเป็นธรรมดาเช่นอะไรที่พวกคุณพอจะนึกได้เอาง่ายๆหน่อย เช่นอะไรอะไรนะโหเอาเอาผัดบานประกันพุ่งเลยเหรอโอ้อันนั้นจะลึกซึ้งมากล้วเอาเนี่ยแหละเอาเป็นวัตถุก่อนนี่แหละอ่จะเป็นเงินทองก็ได้จะเป็นข้าวของก็ได้เป็นอาหารการกินเป็นอะไรก็ได้ที่คุณเริ่มพอจนนึกออกแล้วป่ะเออบางทีเนี่ยเราเนี่ยทําอย่างงั้นทําอย่างนี้น เพื่อที่จะให้อะไรเพื่อให้ได้เป็นไปอย่างที่ที่เราเนี่ยต้องการคราวนี้เราเราเราจะเริ่มพอจะเห็นรูปร่างของสินบนเพียงแต่บอกแล้วบางทีถ้าเราไม่ใช่เป็นคนเลว้ายอะไรจนเกินไปนักเนี่ยสินบนมันก็ไม่ได้หน้าตาน่าเกลียดจนเกินไปแต่เรารู้เลยว่าบางทีเนี่ยเราก็ทำอย่างนั้นถ้าเราอยากจะได้อะไรสักอย่างบางทีเราก็ทำละ ไปประละมั่งไปเอาใจเขามั่งไปทำอะไรล่ะเพื่อที่จะให้แบบว่าเขาให้มาในสิ่งที่เราเนี่ยต้องการที่จะไดะ้ส่วนรับสินบนล่ะเมือกี้ไปติดสินบนเอารับสินบนน่ะเคยไหมเคยทำให้ใครบ้างไหมก็มีก็บางทีบางคนเนี่ยโอ้เขามาพูดดีๆกับเรา เขาเอาไอ้นู้นไอนี่มาให้เราใช่ไหมเราก็ชอบชอบเสร็จบางทีเอาบางทีเข้าแถวเอาให้ให้ใหคนที่เข้าก่อนไ <c oughs> <c oughs> ด้ก่นโ้นก่นโ้นเข้าทีหลังอ่าให้แซงได้ให้แซงได้อันนี้คือคือพูดแบบง่ายๆขึ้นมาเพื่อที่จะบางทีเออเราก็ยังจะมีอย่างนี้นะอา่าเพราะฉะนั้นอันเนี้ยให้เรามานึกถึงสภาพตัวเราเองว่าเออบางทีเราก็ยังมี มีอะไรอ่ะมียุคสมัยมีการเวลาบางทีวันโน้นวันนี้เออเราบางทีเราก็เคยทำอย่างนี้เหมือนกันนะเพราะวันไหนที่เราทำเนะีนะ่แหละเราก็จะเข้าออข่ายลักษณะเหมือนกับเป็นมาสองปากนี่แหละบางทีสองปากก็ยังไม่พอเลย <c oughs> บางทีอาจจะต้องหลายปากเนี่โอ้เพราะว่ามันมันเยอะแยะไปหมดนี่ชีวิตเราจริงๆเนี่ยไม่ยอมเสียเปรียบ ไม่ยามเสียเปรียบก็เอาเปรียบอ่เพียงแต่บอกแล้วเราไม่ได้ไปเป็นโจรไม่ได้ไปเป็นขโมยไม่เป็นผู้ร้ายหยาบใครจนหน้ากริชแต่มีไหมมีบางทีเราก็เป็นวพระันถ้าเราฟังชาดกหัวข้ออนเนี้ยอัตมาถึงบอกพยายามอย่าไปนึกแต่แต่คนอื่นคือถ้าเรานึกถึงแต่คนอื่นเนี่ยนะ ฟังจบแล้วก็ไม่ค่อยมีอะไรเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับตัวเราหรอกเพราะอะไรเพราะสิ่งที่จะต้องเปลี่ยนแปลงคือคนอื่นคือมันไม่ใช่เราไงต่อให้บางทีเนี่ยถึงนาุคเนี่ยถามคุณว่ามันมีจริงมเนี่ยเนี่ยแต่งตั้งคนอะไรอะ่ะพักพวกให้เป็นผู้ตัดสินคดีแล้วผู้ตัดสินคดีนี่ก็รับสินบน คุณว่ายุคสมัยนี้ก็มีไหอคนที่จะเป็นแบบมาสองปากก็มีจนบางทีเนี่ยเนี่ยประวัติศาสตร์หรือเหตุการณ์เรายังพอจะยกตัวอย่างได้เลยว่าเออคนนั้นคนนี้ก็เป็นอย่างนี้แหละแต่ตอนนี้บางทีบอกแล้วว่าเรานึกแต่สภาพภายนอกมากเนี่ยไม่มองย้อนมาที่ตัวเราเองมันก็เลยมองข้ามมองข้ามหัวตัวเองไปเห็นแต่คนอื่น เมื่อเห็นแต่คนอื่นก็บอกแล้วก็ก็คิดแต่จะเปลี่ยนแปลงคนอื่นเท่านั้นแหละพอตัวเองนี่เราก็ไม่คิดจะเปลี่ยนแปลงอะไรละเพราะในเมื่อเรามองข้ามหัวตัวเองมันก็ไม่เห็นตัวเองมันก็เห็นแต่คนอื่นเท่านั้นเองเะะนันมันจะไม่เกิดมรรคผลกับตัวเองขึ้นมาหรือไม่เปิดไม่เกิดการลดละกิเลสตัวเองขึ้นมานะเพราะนั้นตรงเนี้ยเราก็ต้อง พยายามฟังให้เข้าใจให้ได้เพราะหัวข้อเรื่องอันนี้เนี่ยฝันเรื่องที่ห้านี่ประเด็นสำคัญก็จะอยู่ตรงนี้เท่านั้นเองอยู่ตรงเรื่องของมาสองปากว่าเออเราเป็นอย่างนั้นไหมโดยเฉพาะเริ่มจากใจเราก่อนเราจะเป็นใจแบบว่าเอ้ยเดี๋ยวก็ข้างบนเดี๋ยวก็ข้างนี้แล้วก็เอาเปรียบหมดเลยนะเอาเปรียบเขาทั้งสองข้างเลยนะ ทั้งสองฝ่ายเลยแ่ะเราเอาเปรียบหมดสมมติมว่าเราเป็นเหมือนกับคนกลางจริงๆคนตัดสินคดีเนี่ยก็เหมือนกับคนกลางที่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยเข้ามาให้คนนี้ช่วยจริงๆแล้วคนนี้จะต้องเป็นกลางหรือคาว่าเป็นกลางคือต้องยุติธรรมไม่เข้าข้างฝ่ายใดแต่ปรากฏว่าใจเราเนี่ยมันไม่กลางซะและ้วเราก็แบบว่าอา้าวใครให้สินบนมากกว่าเราก็ช่วยคนนั้นมากกว่า ใครให้น้อยกว่าเราก็ช่วยน้อยหน่อยอะไรอย่างนี้ซึ่งอันเนี้ยมันไม่ยุติธรรมนะ ม, นมันมีอามิดมันมีเครื่องล่อใจมาแล้วก็เลยทำให้เราก็ไม่ไม่ได้มีศีลไม่ได้มีธรรมะนะเอาส่วนตอนนี้ฝันเรื่องที่หกเยี่ยวใส่ถาทองคำ เป็นแบบหัวข้อนะเอา้าเยี่ยวใส่ถาดทองคำํำมอมฉันเห็นหมู่ชนช่วยกันขัดถูถาดทองคําซึ่งมีราคาตั้งแสนกระสาบแสนกระสาบนี่ถ้าใช้มาตาวัดเป็นเงินไทยนะก็สี่แสนบาทแสนกระสาบเนี่ยเท่ากั 4, บสี่แสนบาทเสร็จแล้วเป็นไงว่าโหผู้คนมาขัดถาดทองคําอย่างดีเลยแล้วนํากันไปให้ สุนักจิ้งจอกเท่าตัวหนึ่งพร้อมกับกล่าวเชื้อเชิญว่าเชิญท่านเยี่ยวใส่ถาทองคำนี้ด้วยเถิดสุนักจิงจ้งจอกเท่าตัวนั้นก็ถ่ายปัสสาวะใส่ถาทองคำตามคำเชิญความฝันของหม่อมฉันเรื่องนี้จะมีผลอะไรบ้างพระเจ้าค่ะโอ้ฝันแบบเหลือเชื่อฝันแบบเหลือเกินเลยนะ เราลองฟังดูผู้เจ้าจะพยากรไงมหาบาพิษผลจะเกิดขึ้นในการภายหน้าอีกเหมือนกันจะมีพระราชาไม่ตั้งอยู่ใรรมอีกและที่จริงคำว่าพระราชาไม่ตั้งอยู่ใรรมเนี่ยถ้าเอาเอาง่ายๆนะพระราชานี่ก็คือผู้เป็นใหญ่หรือว่าคนที่เป็นหัวหน้าถ้าในครอบครัวเอาเลกลงมาถ้าในครอบครัวส่วนใหญ่แล้วถือว่าใครเป็นหัวหน้าอ ถ้าในบ้านเนี่ยแม่ถ้าการงานก็กยกให้พ่อใช่ไหมแต่ถ้าในครัวยกให้แม่ก็แล้วแต่ว่าจะว่าจะยกให้ใครเป็นใหญ่ยังไงแต่ถ้าโดยโบราณส่วนใหญ่ก็ยกให้ผู้ชายเป็นใหญ่กว่าผู้หญิงเพราะเราฟังเนี่ยว่าพระราชาไม่ตั้งอยู่ใดทำอย่าไปนึกแต่บอกแล้วอย่าไนึกไกลเกินไปไปนึกถึงแต่พระราชาก็เลยไม่ใกล้เราเลยใช่ไมว่านึกให เล็กลงมาบอกแลานึกให้เป็นประเทศที่เล็กลงมาเล็กลงมาจกนกระทั่งเหลือเป็นครอบครัวถ้าใครยังอยู่บ้านอยู่ก็นึกก็นึกอยู่ว่าเอา้าในครอบครัวนี่เอา้าก็พ่อหรือว่าแม่นั่นเองเป็นใหญ่ในครอบครัวถ้าพ่อแม่ไม่เป็นธรรมเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นใช่ไหมอ่าถ้าวัดละ่ะถ้าอยู่วัดใครเป็นใหญ่ <laughs> สมบานเป็นใหญ่ ถ้าไม่มีสมภาน์ก็ผู้บริหารนะนะที่เป็นผู้ดูแลวัดจะใครเป็นใหญ่แล้วก็นึกเอานั่นแหละถ้าผู้อยู่วัดเป็นใหญ่เนี่ยถ้าไม่เป็นธรรมเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้น น, นี่นเนี่ยพระราชาไม่ตั้งอยู่ในธรรมทรงรังเกียจไม่พอใจในลูกหลานของผู้สมบูรณ์ด้วยชาติสกุลใหญ่แล้วไม่พระราชาทานยศให้ แต่พระราชทานยศแก่คนในสกุลเล็กๆ เ, เท่านั้นในสกุลใหญ่ก็หมายถึงว่าอาจจะเป็นสกุลอะไรอะสกุลกษัตริย์สกุ ล, ก ล, กลข้าหบดีสกุลอะไรที่มีชื่อเสียงเนี่ยก็เรียกว่าสกุลใหญ่นะพระราชาเนี่ยเพราะว่าไม่ไม่ไม่ไม่ทรงธรรมหรือว่าผู้เป็นใหญ่นั่นเองไม่ทรงธรรมแล้วเนี่ย ก็จะแต่งตั้งตามความชอบใจไม่ชอบใจของตัวเองตอนนี้เกลียดชังไม่ชอบใจพวกสกุลใหญ่ mm. ก็เลยพวกนี้ไม่ไม่แต่งตั้งแต่งตั้งให้พวกสกุลเล็กๆเพราะว่าเกียดพวกสกุลใหญ่ไงก็เลยไปตั้งยศถาบรรดาศักดิ์ต่างๆก็โบกไปให้ทางสกุลเล็กๆซะเมื่อเป็นเช่นนี้สกุลใหญ่ๆจึงพากันตกยากลำบาก พวกสกุลเล็กๆพากันเป็นใหญ่พวกสกุลใหญ่ไม่อาจเลี้ยงชีวิตอยู่ได้จึงเกิดความคิดขึ้นว่าเห็นทีเราจะต้องอาศัยพวกสกุลเล็กๆเหล่านี้เพื่อเลี้ยงชีวิตให้อยู่สืบไปพูดง่ายๆ ไ, ไม่มียศถาบรรดาศักดิ์ไม่มีอะไรแล้วเพราะนั้นแต่ว่าพวกสกุลเล็กนี่โอ้โหอาจจะได้เป็นอะไร พูโรหิตได้เป็นอำมาตย์ได้เป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่อะไรอย่างนี้เพราะนั้นมียศถามีตําแหน่งมีอํานาจเพราะนั้นครนี้พวกสกุลใหญ่ก็เลยพูดง่ายว่าถ้าอยากจะอยู่รอดนะก็เลยต้องไปพูดง่ายไปงอ้อละไปง้อพวกสกุลเล็กๆที่เขามีอานาจดังนั้นนะพวกสกุลใหญ่เนี่ยต่างก็พากันนําเอาลูกสาวของตนยกให้แก่พวกสกุลเล็กๆนั้น การที่ลูกสาวของพวกสกุลใหญ่ต้องไปอยู่ร่วมกับพวกสกุลเล็กนั้นก็เป็นเช่นเดียวกับถาดทองคำนำไปรองปั ส, สวะของสุนัขจิ้งจอกเท่านั่นเองแม้ภัยเรื่องนี้ก็จะไม่เกิดแก่พระองค์อย่างแน่นอนแต่จะเกิดในการอนาคตวันฝันคราวนี้ประเด็นอยู่ที่เนี่ยเอาถาดทองคำ ไปใส่เยี่ยวเอาถาทองคำไปให้สุรักิ่งจอกเยี่ยวใส่เงี้ยปเด็นอยู่ที่ตรงนี้ประเด็นก็กลายเป็นว่าพวกผู้ดีมีเงินเนี่ยซึ่งซึ่งเคยเคยมีฐานะใหญ่โตพอลำบากขึ้นมาหมดศักดิ์ศรีเลยไม่เหลือศักดิ์ศรีในตัวเองเอาแค่ว่าให้เอาตัวเองรอดทำอะไรก็ได้ ยกลูกสาวให้เขาก็ได้จริงๆอย่างเงี้ยเข้าขายแล้วกษณะอะไรขายลูกสาวใช่ไหมไม่ให้ทำยังไงก็ได้ขอให้มีทรัพย์ขอให้อะไรอยู่รอดได้ตอนนั้นเองเพราะว่าเพราะว่าอีกฝ่ายเามียศมีอานาจมีอะไรเงี้ยก็ถ้ายัางจะอยู่ในวงการอยู่ในข้าราชการอยู่ในอะไรพวกนี้พูดง่ายก็ต้องยอมไปเป็นขี้ข้าไปยอมรับใช้ไปยอมอะไรเขา หมดศักดศรีเลยงานนี้อาแล้วท่านในวัดอะฮะอ๋ะ <c oughs> อพันเตต้องมายอมอบุษโสเหรออาบุษโสเป็นใหญ่ในวัดอบุษโสรว่าผู้บวชที่หลังอแสดงว่าสมพานนะสมมติสมพานแต่งตั้งให้ให้อะไรอะอ่าพวกบวชที่หลัง โอ้หมันเป็นผู้บริหามาเป็นใหญ่พวกพระที่บวชมาพรรษามากๆคราวนีน้ถึงจะมีความรู้ถึงจะอะไรยังไงก็เอาละสนะิถ้าเพื่อความอยู่รอดก็อาวุโสบอกไงก็ทำตามแล้วงั้น <c oughs> ก็นั่นแ่ะถ้าถ้าเปรียบนะหรือว่าพวกทหารตอนนี้ได้ข่าวไหมละ่ะ ที่ก็บอกว่ารุ่นสิบบางคนอะไรนะไปว่ารุ่นพี่เขาอะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ว่าบอกนี่ไม่ใช่วินัยของทหารทหารต้องเคารพผู้ที่บังคับบัญชาหรือว่าผู้ที่สูงกว่าอะไรอ่าอจริงๆในทางพระก็เหมือนกันผู้อาวโุโสเนี่ยผู้บวชที่หลังต้องเคารพปันเต ต่อให้พันเตเนี่ยอายุสักยี่สิบแต่บวชก่อนนะอ า, อายุสักยี่สิบบวชมาตั้งแต่เด็กเลยก็ได้ใช่ไหมแต่พอถึงยี่สิบเสร็จแล้วค่อยได้เป็นเป็นพระเงี้ยเสร็จแล้วปรากฏว่าผู้มาบวชทีหลังมาบวชทีหลังรูปลูปรู ป, รปลูกกี้เนี้ยปรากฏว่าอายุสักหกสิบก็ได้เอาอ่า มาที่หลังอ่ะที่หลังวันเดียวก็ตาม <c oughs> ก็ต้องถือว่าผู้ที่บวชก่อนเป็นพันเตต้องมากราบต้องมาเคารพแล้วก็ผู้ผู้ที่บวชก่อนถึงจะอายุแค่ยี่สิบใช่ไหมแต่อวุโสเนี่ยมาทีหลังมากราบก็ค่อยรับไหวนะต้องมากราบนะยิ่งถ้าเป็นอะไรอ่ะเป็นพิกษูนี โอ้โหอายุเท่าไหร่ก็แล้วแต่พันษามากเท่าไหร่ก็แล้วแต่ต้องมากราบพระบวชใหม่ที่บวชในวันแรกนั้นนะคิดดูเอาสิโอเอาอย่างนั้นเลยนะ <c oughs> เพราะฉะนั้นนมันจะมีอ่ะถ้าโลกโลกเขาเรียกว่าศัก์สีแต่ถ้าในทางธรรมะเนี่ยเราเรียกว่าอ๋อเขาเรียกว่า เป็นไปตามธรรมเป็นไปตามธรรมใครบวกรต้องยกไวอ่าเพราะ้ถ้าโดยทางธรรมะเนี่ยแบบว่าคนที่บวกรคนที่สูงกว่าไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่ามาถือยศศักดิ์ศรีอะไรนะแต่เป็นไปตามธรรมะเลยธรรมะถือว่าผู้บวกรต้องเป็นพี่ผู้บวชที่หลังต้องเป็นน้องแม้จะ จบด็อกเตอร์มาแม่จะอายุมากกว่าแก่กว่ายังไงก็ตามแต่ถ้าบวชที่หลังบวที่หลังอ่คนอายุยี่สิบแล้วก็ไม่เรียนหนังสือมาเลยอ่าสมมุติสมมุติให้มันหนักหนะักนโอ้โหแล้วก็เป็นลูกชาวไร่ชาวนามายากจนหน แ, แต่อีกคนหนึ่งจบทั้งด็อกเตอร์แล้วก็อะไรอายุสักห้าสิบเอา้าอะไรรวยด้วยนะ มียศถาบรรดาศักดิ์โลกโลกมาแต่มาบวชที่หลังก็ต้องกราบอันนี้เป็นตัวอย่างมีมาตั้งแต่สมัยโบราณการแล้วปรากฏว่าที่มีกษัตริ์ลูกกษัตริ์รวมไปทั้งกษัตริ์ด้วยนะท่าไห่อ่ะสี่ห้าพระองค์หรื อ, อยังไงเนี่ยที่มาบวชอะ่ะบวชแล้วก็บวชพร้อมกับกับช่างการะบก ช่างตัดผมปรากฏว่ากษัตริย์พวกนี้มีความรู้ว่าเออมันมีอัตามานะมันมีศักดิ์ศรีมากนะเพราะนั้นแทนที่จะบวชก่อนก็เลยไม่ไม่เอาให้ช่างตัดผมนี่บวชก่อนเพื่อที่จะมาล้างไอ้กิเลสอัออตามานะนี่แหละเพราะว่าพอไม่รู้ใครนะอุบาลีหรือเอหรือว่าชันณนะหรือใครนะ จำฮะจำได้ว่าอุบาลีเหรอันแหละก็เลยให้ช่างตัดผมคนนี้บวชก่อนเพราะว่าพอบวชก่อนเสร็จใช่ไหมพวกตัวเองบวชทีหลังก็ต้องมากราบผู้ที่บวชก่อนทั้งทั้งที่ตัวเองบางทีเป็นกษัตริย์เป็นลูกกษัตริย์โอ้โหศักดิ์ศรีใหญ่มากเพราะนั้นพอมาทางธรรมะต้องทิ้งหมดเลยศักดิ์ศรีแบบโลกโลกยศถาบรรดาศักดิ์อะไรต้องทิ้งหมด ที่มมายึดมายึดศักดิ์ศรีแบบของของของผู้ปฏิบัติธรรมคือใครบยตรก่อนถือว่าได้เข้าถึงธรรมะก่อนเพราะฉะนั้นผู้มาทีหลังต้องเป็นน้องเสมออืมเพราะั้นก็ต้องกราบรุ่นพี่ต่อให้รุ่นพี่โง่โงด้วยนะโอ้โหตัวเองฉลาดมากเลยเอา้าวภาษาลีบุตร เลิกทางปัญญาก็มาบวชทีหลังหลังหลายรูปที่บวชไปก่อนแล้วเอ่าภาษาลีบุตรพระโมกขารนาอะไรพวกเนี้ยอัคราสาวกเบื้องซ้ายเบื้องขวาไม่ได้มาเร็วนะอ่าผู้เจ้าท่านโอบวชภิกษุกไปตั้งเยอะแล้วก็นั่นแหละมีทั้งอายุมากมีทั้งอายุน้อยแล้วก็บวชไปตั้งเยอะตั้งแยะภาษารีบุตรพระโมกขารนะก็มาบวชอีกช่วงหนึ่งภายหลัง เพราะอย่างเงี้ยเพราะันแม้แต่ยอศักดิ์จะฉลาดอย่างพระส า, ารีบุตรเนี่ยแต่ถ้าบวชที่หลังรูปอื่นเขาก็ต้องกราบไหว้ผู้ที่บวชก่อนต้องเคารพนับถือทั้งๆที่ฉลาดกว่ารู้ธรรมะรู้อะไรอย่างยอดเยี่ยมกว่าก็ยังต้องเคารพยกย่องผู้ที่เป็นพี่แม้ผู้เป็นพี่จะโง่งๆบางก็ตามเออบางทีปฏิบัติทำข้อนน้นข้อนนี้ยัง ไม่รู้สิจะยังไงก็ต้องมาถามภาษารีบุตรด้วยนะภาษาภาษาลีบุตรก็ช่วยขยายช่วยบอกช่วยสอนให้แต่ถึงอย่างงั้นภนะาษารีบุตรก็ต้องกราบผู้ที่บวชก่อนนะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ให้เรารู้เรื่องของของศักดิ์ศรีฝันเรื่องนี้ก็ผ่านนะเอาฝันเรื่องที่เจ็ดนางสุนักจิ้งจอกกินเชือก อันนี้เป็นหัวข้อมอมชันฝันเห็นอย่างนี้มีบุรุษผู้หนึ่งนั่งฟันเชือกอยู่ฟันเชือกคงรู้นะเหมือนกับถักเชือกอย่างนั้นนะมาทำเชือกแล้วก็ฟันมันนะ่ะทาเป็นเกลียวอะ่ะฟันเนี่ยเขาเรียกว่าฟันเชือกก็ย่อนลงไปที่ใกล้เท้าของเขาแต่มีนางสุนัขจิ้งจอกหิวโซตัวหนึ่งนอนหลบอยู่ใต้ตังที่บุรุษนั้นนั่งอยู่ มันคอยกัดกินเชือกโดยที่เขาไม่รู้ตัวเลยอะไรเป็นผลของความฝันนี้พระเจ้าข้ า, านะดูสภาพนะมีคนนั่งฟันเชือกเชือกฟันไปฟันไปมันก็ยาวไปยาวไปเรื่อยๆใช่ไหมก็ปล่อยลงไปที่พื้นไปเสร็จก็มีนางสุนัขยิ่งจอกเนี่ยแอบกินเชือกอยู่ใต้ตังมหาปพิษความฝันเรื่องนี้เหตุก็จะเกิดในการภายหน้าโน้น เราสตีทั้งหลายจะทำตัวโลเลหล่อแหละในบุรุษพวกนางจะรุ่มหลงในสุราเอาแต่แต่งตัวชอบเที่ยวเต่ตามถนนหนทางเห็นแก่อามิตรเป็นหญิงทุศีลมีความประพฤติชั่วช้าเอาแล้วนะหละกี้นี้จิงจอกเท่าอันนั้นไปในทางผู้ชายอ่าไปในทางผู้ชายเพราะส่วนใหญ่เนี่ยบางที มียศศักดิ์มีอะไรพระราชาแต่งตั้งก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกผู้ชายที่จะได้เพียงแต่เป็นพวกสกุลเล็กได้ไปแต่คราวนี้หัวข้อนี้เป็นนางสุนัข ก, กิ้งจอกมาเป็นทางผู้หญิงละก็เป็นยุค ก, ก็เป็นยุคเสื่อมเหมือนกันนะผู้เจ้าก็บอกว่าในอนาคตก็จะมียุคเสื่อมคราวนี้ผู้หญิงเป็นยังไงเลอและโลเล นะคือคือในบุรุษทั้งหลายเนี่ยคือไม่มีใจมั่นคงถ้าจะเป็นสามีเป็นภรรยาเงี้ยก็ก็อะไรอ่ะไม่ค่อยผัวเดียวเมียเดียวอะไรอย่างเงี้ยใช่หแล้วก็เอาแต่แต่แตงตัวชอบเที่ยวเตเห็นแก่อามิตรทุศีลทุศีนเนี่ยจริงๆเท่ากับว่าทำผิดศีลบ่อยๆคำว่าทุศีล แต่ทุกวันเนี่ยเขาไม่รู้หรอกคำว่าทุศีนเพราะเขาไม่เคยนึกถึงศีนเขาไม่เคยนึกถึงศีนนะเขานึกอยู่แต่ว่าจะผิดกฎหมายไหมจะโดนจับไมมอะไรอย่างเงี้ยคือเขาจะนึกแต่เรื่องเรื่องเรื่องทางกฎหมายบ้านเมืองอะไรมากกว่าเรื่องศีนเนี่ยมันไม่อยู่ในหัวสมองอยู่แล้วจะไปทำผิดจะไปทำพลาดจะไปทำอะไรขออย่างเดียวว่าอย่าโดนคนจับได้ เขาไม่นึกถึงศีล น, นะไอ้ ก, กฎหมายที่เขานึกเขาค น, นึกแค่ว่าทํายังไงจะได้ไม่โดนจับได้ไม่ต้องติดคุกติดตารางหรือไม่ต้องโดนคนด่าว่าอะไรเท่านั้นเองจริงๆคาว่าทุศีนี้ยังจะดีนะเพราะว่ายังมีศีลให้ทุนะทุแปลว่าชั่วแปลว่าไม่ดีคือยังทำผิดศีลอยๆนี่จริงๆยังมีศีล น, นะแต่ทำผิดศีลอยๆ ทุสีนี่ยังเหลือสีอยู่แต่บอกว่าทุกวันนี้บางทีไม่มีสีอยู่ในหัวเลยอะในความคิดในอะไรแทบไม่มีเลยถึงบอกว่าโอ้โ oh, ห oh, ใช้คำว่าทุกสีนี่ยังน้อยไปน้อยจะใช้คำว่าอะไรดีอ่ะเนี่ยมันแปลว่าไม่อะนะแหมจะบอกว่าอ่ะสีหรือไ ม, ไ, มไม่เคยจะยินใครพูดคือไม่มีสีเลยอะ เพราะไม่อยู่ในความความทรงจำไม่มีอยู่ในอะไรเลยจริง